อบริกรรมพุทโธก็ดีนะพุทโธพุทโธเนี่ยมาตรฐานนี่แหละแต่ก็เวลาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอย่าลืมสังเกตอ่ะสังเกตตัวเราเนี่ยผู้บริกรรมพุทโธมันมีความรู้สึกอย่างไรมีความคิดความนึกความตึกความตองมีอารมณ์อย่างไรมีกิริยาการอย่างไรก็สักแต่ว่าปล่อยวางรับรู้ด้วยความปล่อยวางรับรู้ตัวเราด้วยความปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางหรือว่าสักแต่วารู้หรือแค่รู้แค่รู้ เราก็พุทโธไปเรื่อยพุทโธพุทโธพุทโธแค่รูตัวเราเรื่อยไปไม่ใช่ว่าพุทโธอย่างเดียวนะพุทโธก็ต้องมีสติสติสัตวารู้สัตวารู้หรือแค่รู้ตัวเราผู้บริกรรมพุทโธว่ามีความรู้สึกอย่างไงสบายใจไม่สบายใจมีความคิดความนึกความตึกความตองมีอารมณ์อย่างไรก็พุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็รู้ตัวเราเรื่อยไปสัตวารู้ตัวเราด้วยความไปวางสัตวารู้ตัวเราด้วยความไปวางเรื่อยไป ใน ต, ตัวเราในะคิดนึกตึกตองอะไรก็รู้หมดรู้ทันหมดอย่าไปหลงไว้คิดเองนะอย่าหลงเอาตัวเราไปคิดให้รู้ตัวเราคิดแต่อย่าหลงเอาตัวเราไปคิดให้รู้ตัวเราที่กาลังคิดเข้าใจไหมเนี่ย <S <S เออเอาอย่างนี้ก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปอ่านหนังสือที่ให้ไปฟังซีดีแล้วก็เพียนปฏิบัติให้ใหได้ตามนั้นวิธีอ่านวิธีฟังคือให้อ่านเล่มสเล่มจากปัจจุบันไปหาอดีต แล้วก็ซีดีก็ฟังจากปัจจุบันไปหาอาดีตเพราะว่าของเราเคยปฏิบัติมาแล้วไงก็ให้ฟังจากปัจจุบันนี่ถ้าฟังแล้วเนี่ยเวลาฟังก่อนก่อนที่จะเปิดฟังเราก็น้อมก่อนนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และบุญบา ร, รมีที่เราทํามาแล้วทั้งหมดเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมาเราไปเคยไปฏิานหรือว่าไปเคยให้คําสัตย์บาอะไรก็ใครไว้คํามั่นสัญญาอะไรก็ใครไว้ทําให้มามีอุปสรรคขัดขวาง ในการที่ว่าฟังธรรมแล้ว ฟ, ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเข้าไม่ถึงใจเราขอล้างอธิษฐานล้างทิ้งให้หมดแล้วก็น้อมเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าสู่ใจโดยตรงไม่ต้องอาศัยระบบประสาทอื่นใดเลยให้เข้าสู่ใจให้ใจเป็นธรรมให้สิ้นกิเลสให้สิ้นกิเลหสเลหรือรูปอริภานในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเทอนแล้วก็ฟังตั้งใจฟังแล้วก็ทําความเพียรตามไปเลยทําอย่างนี้ไอ้ต่อเ น, นื่องไม่ขาดสายเดี๋ยวไม่ชาม่างก็มันจะกระชัดเจนที่ใจ อย่าลืมนะต้องตั้งใจอธิษฐานนะอธิษฐานฟังให้เข้ถึงใจฟังทำให้เขาถึงใจตุกเกอรเหมือนกันนะตุกเก็ต้องอธิษฐานเลาฟังล้างของเก่าทิง้งอะไรที่เป็นวิชาลิทธิเป็นความเห็นผิดเป็นอวิชาล้างทิ้งให้เกลี้ยงเลยเอาอธิษฐานเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าถึงใจให้ทําเป็นใจใจเป็นธรรมให้จินกิเลสโดยออท้าววรวิเชิงน บ, บัตินี้ไดเ้เทินเพียง แล้วก็ตั้งใจฟังน้อมลงที่ใจน้อมลงที่ใจไปถามซ้ำๆนะเออแผ่นนี้โยงมไม่ได้แผ่นนี้แผ่นนี้โยงนะ <c oughs> บางคนเขาเคยมีวาสนาบรารมี <c oughs> เคยปีนาร่างกายไม่เที่ยงมาก่อนก็น้อมก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธแล้วก็น้อม ให้นึกถึงพุตโตไปด้วยแล้วก็น้อมให้เห็นตัวเราตายมีความแก่ความเจ็บความตายนึกให้เห็นจริงๆนะนึกให้เห็นตัวเราแก่ผมเผาขาวโพลจากดำก็ขาวโพลมีความแก่ก็โดนฉลาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตายถึงแค่ความตายตายแล้วมีสภาพเน่าเปื่อยผุฟังสลายไปแล้วก็ เน่าไปเราไปเผาเข้าเตาเมรีเผาเผาเสร็จก็กลายเป็นขี้เถ้ากระดูกกลายเป็นขี้เถ้ากระดูกก็เอาไปลอยน้ําทิ้งมาจากดินกับคืนส่วดินเอาไปลอยน้ําก็เพื่อมาจากน้ํากับคืนส่นน้าขี้เถ้ากระดูกก็เป็นเป็นดินไปลอยน้ําไปก็กระโจมหายไปไปปนกับดินกับทรายคนก็กระดูดเอาขึ้นไปเอาไปสร้างบ้านเอาไปเหยียบย่าเอาไปปลูกพืชพรรณธัญญาหาร พื้มันก็ดูดเอาแร่ธาตุดินของขี้เต่ากระดูกของแต่ละคนขึ้นไปออกลูกออกผลมาให้พวกเรากินก็มากินอยู่ในล่างของตัดของคนอื่นต่อไปอีกะน้ําที่มันออกมาจากร่างกายของเราน้ําปัสสาวะทุกวันที่เราจี่ออกมาเราเหยขึ้นไปในอากาศมันก็เป็นน้ําตกมาให้เรากินอีกกินกันก็ไปทั่วกันหมดมันธาตุในร่างธาตุในร่างกายเราของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นของใครของมันหรอกมันเป็นธาตุสาธารณะ ธาตดินก็สาธารนณะน้ำก็สาธารนณะลมก็สาธารนณะไฟก็สาธารนณะดินน้ำลมไฟความร้อนเนี่ยในอากาศมันก็เป็นของสาธารนณะก็เหลือแต่พวกเนี้เป็นของใช้สิ้นเปลืองต้องเติมทุกวันเวลาพวกคารวาก็เติมทีสามมือสี่มือเห็นกินกันอืมอย่างผ้าอยงตาก็มือเดียวจบก็ แต่ก็ต้องเติมนมือเดียวต้องเติมเหมือนกันเติมดินเข้าไปเพราะว่าเป็นธาตุที่ใช้สิ้นเปอนืองเติมน้ําต้องดื่มน้ําทั้งวัน่ะฉันน้ําทั้งวันแล้วก็เติมลมหายใจเติมธาตุไฟความร้อนเหลือแต่ธาตุรู้หรือวิ ญ, ญญาณธาตุวิญญาณแปลว่ารู้ไม่ใช่แปลว่าผีวิญญาณแปลว่ารู้ธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าเช่นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลธาตุรู้ไม่ต้องเติมเพราะมันไม่เกิดไม่ดับไม่ไม่ไม่สิ้นเปลืองเป็นธาตุธาตุเดียวที่เป็นอมตะ เวลาที่ไม่แตกไม่ดับก like, ็ะฐานรู้นี่ยเนี่ยยางอื่นแตกกระจายไปหมดแตกดับไปหมดเอดินก็กลับคือสูดินแต่ไปเป็นดินที่อื่นไปซะน้ําก็ไปเป็นดินเป็นน้ําไปในอากาศไปซะลมก็หายไปไฟก็หายไปเหลือแต่ฐานรู้นี่ยแน่ที่มันออกไปพร้อมกับกรรมดีกรรมชั่วไปเวียนว่ายตายเกิดเหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือกุศลนกุศลไม่ติดอะไรแล้วไม่ยึดอะไรก็กลายไปเป็นฐานรู้ที่ว่างเปล่า เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดเกิดนึกน้อมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธนึกน้อมตัวเรามาเห็ น, นชัดชัดตายหน้าป่วยผู้พังอันนี้ก็ปล่อยวางไปได้แล้วแต่บุญวาสนาบา ร, รมีของแต่ละคนนะสําคัญที่สุดอ่ะคือความเพียรมีความเพียรต่อเนื่องไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะทําอะไรข้างไหนก็แอบพิจนาได้กายทํางานอะไรอยู่ใจข้างไหนก็แอบพิจนาได้สามารถพิจนาได้ตลอดเวลาในขณะที่เราทํางานทํางานอะไรก็แอบพิจนาถึงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งร่างกายจิตใจแล้วแต่ใครชํานาญอันไหนไหปล่อยวางก็แล้วกันคือสรุปแล้วคือปล่อยวางทั้งร่างกายและจิตใจหรือเรียกว่าปล่อยวางขันห้าปล่อยวางได้ก็พ้นทุกปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่พ้นทุกนั่นแหลให้ปล่อยวางนะทุกขณะจิตปัจจุบันเนี่ย ถ้วเราไม่ปล่อยวางหมดแต่ไปคุยกันเพลินกันมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่ค่อยจะดีหรอกไปคุยกันมากอ่คุยกันมากเดี๋ยววาจาก็เป็นโทษเดี๋ยวใจก็เป็นโทษเดีย๋ยวไปคุยกันมากปฏิบัติให้มากปฏิบัติให้มากอยู่รวมๆกันปฏิบัติให้มากอย่าคุยกันมากอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ปล่อยวางร่างกาจิตใจของตนเอง อย่าเอามาคิดเอามาพูดมากระทามาอยู่วัดมาอยู่การปฏิบัติอย่างนี้ต้องเลงข้าวปฏิบัติข้าวพูดมากมันก็ไม่ค่อยจะดีนักหรอกราะว่าเดี๋ยวมันก็นทะเลาะกันอันนเนี่ยไอ่อยู่หมู่มากอยู่กันหลายคนก็ต้องระวังความคิดระวังการพูดระวังจิตใจของตนเองต้องระวังแม้แต่อยู่คนเดียวก็ต้องระวัง แต่อยู่คนเดียวมันไม่ไปกระทบกับใครแต่ต้องระวังใจที่แล่นออกไปแต่อยู่หมู่มากรวมกันอย่างเนี้มันก็ต้องระวังวาจาระวังวาจาได้ก็ต้องระวังมาตั้งแต่รู้ตัวทันแต่ความคิดให้รู้ตัวทันแต่ความคิดอย่าหลุดไปอย่าหลงไป